จากพระสูตรนะนะสูตรที่แล้วพรมนีมันะนิกะสูตรแล้วก็สูตรที่กำลังจะเรียนต่อไปคือมาราตัชนิยสูตรเนี่ยนะสูตรเหล่านี้ทำให้เห็นปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจนะ้าที่เราสวดกันบ่อยๆวาโยอิมังโลกังสเทวกังสมาระกัง ส, พ ส, สนะัพรมะกังสสมะนะพรมมะเหน่งปะชังสเทวะมนุสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตวาปเวเทเสนี่นะก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงทําให้แจ้งสยังอภิญญาเนี่ยนะทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งนะโยอิมังโลกังโลกนี้ทั้งปวงนะสัตนะสเทวะกังสมารกังก็คือโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยพระ อ, องค์ทรงทําให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งหมดแล้วในสถานะสภาวะที่เป็นจริงของโลกนี้ทั้งหมดของเทวโลกทั้งหมดของมารโลกทั้งหมดของพรหมโลกทั้งหมดในส ร, รรพสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เจ้าลัทธิเจ้าของทิฐิทฤษฎีต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงทําให้แจ้ง ความที่พระองค์ทรงทำให้แจ้งเนี่ยพระองค์จึงสามารถบอกเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ตามสามารถที่จะบอกสอนให้พรมทั้งหลายเนี่ยตรัสรู้ตามอย่างสูตรที่ผ่านมาเน้นเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงพรมไปเป็นการสง่งเคราะห์พรมจนพรมกาจัดความเห็นผิดเนี่ยนะประกาศพรมเนี่ยประกาพรมก็ละทิฏฐิอัน เป็นทิฏฐิที่สำคัญผิดคิดว่าพรหมโลกนั้นเที่ยงยั่งยืนด้วยอำนาจของสัตตะทิฏฐิก็กำจัดทิฏฐิเหล่านั้นได้คือสามารถที่จะบอกสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้อมะตะธรรมคือพระนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยนะซึ่งก็มีพรหมตรัสรู้ตามคำสอนอนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่า ไม่เฉพาะแต่พระองค์สอนแต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่อัศ ม, มนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็สอนและอัศ ม, มนุษย์ทั้งหลายก็ตรัสรู้นี่นะอั ม, มนุษย์ทั้งหลายนี่นะในเขาบอกว่าสูงสุดก็คือมารมารเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถึงอย่างนั้นมารก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าวนี่นะแล้วก็พระองค์ก็สอนถึงพรหม พรหมชั้นต่างๆโดยที่สุดแม้แต่พรหมสุดทาวาสทั้งหลายก็เป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่น้อยอย่างที่เราเรียนในมหาประธานสูตรนะพรหมชั้นอวิหาอัตตาสุทธสิสุสุทธสีอกกนิฐาพรหมทั้งหลายทุกชั้นเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีสาวกของพระองค์อยู่จํานวนไม่ใช่น้อยคือมีอยู่จํานวนมากแม้แต่ในอรูปประพรก็มีสาวกของพระองค์นะนะ มันก็มีผู้ที่ฟังพระองค์มีผู้ที่ตรัสรู้ตามพระองค์เนี่ยนะพระองค์จึงชื่อว่าเป็นศาสถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่พาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยนะถือว่าพระองค์เป็นผู้ที่รู้จริงนะรู้จริงๆๆเนี่ยนะแต่เป็นการรู้จริงเช่นที่ว่ารู้แล้วพ้นทุกข์พระองค์รู้แล้วพระองค์ก็พ้นทุกข์ พระ อ, องค์รู้แล้วบอกแนะนำสอนผู้อื่นก็สอนให้เขาพ้นทุกสอนให้เขาเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญมาขึ้นมารัตตชนิยสูตรเนี่ยนะสูตรเรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องมารเลยแหละในข้อห้าห้าเจหน้า465้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะมิกทายวัน ในเพสกรลาวันเขตเมืองสูงสุมาราคีระในพัคชนบทนะแถวมิกทายวันหรือป่าสุสพัควันเป็นต้นเนี่ยนะบริเวณป่าป่าเนี่ยโดยมากก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในพระไตรปิฎกนั้นอธิบายลักษณะว่าพูดถึงหมู่บ้านแปลว่าพระองค์ทรงเคราะห์มนุษย์ถ้าพูดถึงป่าแสดงว่าพระองค์ทรงเคราะ์อมนุษย์พระพุทธเจ้านั้นจะอยู่ตอนเช้าบิณบาตในหมู่บ้าน ก็เพื่อสงเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นได้กราบได้วาพระองค์ได้ฟังธรรมของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติสา ม, มารถตรัสรู้ตามขณะเดียวกันเนี่ยการที่พระองค์อยู่ป่าก็เพื่อที่จะได้สงเคราะห์อามนุษย์สงเคราะห์เหล่าเทวดาทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองทีนี้ในปา่ามิกระทายาวันเนี่ยนะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะอยู่ณนะที่จงกรมกลางแจ้งก็คือเดินจงกรมกลางแจ้งนั่นเอง ถูกมารผู้มีจิตเป็นบาปเนี่ยนะมารผู้มีบาปเข้าไปในท้องเข้าไปในไส้เข้าไปได้ยังไงเนีเ่ยเนเหมือนเหมือนพยาธิเงั้ยนะเนาะเข้าไปแล้วก็ทํานะเหมือนพญาติตัวตืดอะไรเงี้นนยแหะก็เข้าไปในท้องทีนี้พระมหาโมคคลานะท่านก็มีความคิดขึ้นว่าท้องของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับก้อนหินหนักๆก้อนหินหนักๆเนี่ยมันทวงอยู่ในท้องอะ่ะเป็นเหมือนกับกระทออันเต็มไปด้วยทั่วหมัก หรือมันกระสอบอ่ะนะกระสอบข้าวที่มีถั่วหมักมันขึ้นอืดอ่ะนะถั่วเรียกว่าเหมือนกับกระสอบข้าวที่มันเต็มไปด้วยถั่วถั่วหมักมันก็อืดขึ้นมาท้องของเราเป็นอะไรนาะมันเพราะเหตุอะไรนาะทำไมท้องจึงอืดแบบนี้ก็เลยลงจากที่จงกรมเข้าไปสู่วิหารวิหารก็คือที่ยืนที่นั่งที่นอนเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปูนั่งอยู่บนอาสนะที่ปูเอาไว้ครั้นแล้วก็ได้ใส่ใจถึงมารผู้มีบาป ด้วยอุบายอันแยบคายเฉพาะตนบอกทำไมท้องอื่นเนอะดูไปแล้วอ้าวมานไปอยู่ในท้องนี่มีพยาธิตัวพิเศษมาจากปารนิมมิตรวสวดีเนี่ยนะมาไกลมา ก, ายมากพยาธิตัวนี้เนี่ยนะไม่ได้ไปกินแบบอะไรนะอาหารดิบที่ไหนมารอกนยะนะก็บอกว่าในอัตกถาธิบายเพิ่มเติมว่า พระมหาโมคคลานะเนี่ยถ้าท่านจะใส่ใจเฉพาะตนเนี่ยคือวิธีการอันหนึ่งเลยก็คือการระลึกถึงศีลนนะระลึกถึงศีล ร, ระลึกถึงศีลหมายว่าระลึกถึงข้อปฏิบัตินะนะระลึกถึงอธิศีลอธิจิตอ ธ, อ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิปัญญาระลึกถึงกองศีลกองสมถาวิปัสนาแล้วก็เอามือรูปท้องรำเพงว่า อาหารที่เราบริโภควันวานวานซืนหรือก่อนวันซืนนั้น่ะมันไม่สุกหรือว่าโทษที่เกิดจากอาหารที่ไม่ถูกส่วนกันอย่างนี้อย่างอื่นถ้าหากว่ามีอยู่อาหารทั้งหมดนั้นจงย่อยไปจงผาสุกเถิดอันนี้คือวิธีรักษาโรคแบบพระมหาโมคคลานะรักษาโรคแบบผู้มีศีลสามารถทำแบบนี้ได้นก็นคือระลึกถึงศีลก่อนระลึกถึงคุณธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ ระลึกถึงคุณงามความดีเนี่ยนะรระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาแล้วก็โลภไปที่ที่ไหนแต่ก็ตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ระลึกไปตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานะ่าอขอให้โรคเหล่านี้สงบไปเถอะเนี่ยนะกอขอให้เป็นเป็นผาสุกพ้นจากทุกทั้งปวงเหล่านี้เถอะอ่าร ะ, ะลึกถึงคุณของศีลเนี่ยนะทางโลกก็บอกว่า ยาทั้งหลายก็ยังมีอุปการะใช่มัย้ยาคือธรรมะโอสถจะไหมจะไม่เป็นอุปการะพันจะเลิกถึงธรรมแล้วก็อาศัยธรรมเหล่านี้ก็รูปท้องก็ทำให้ใหายทำให้สุขภาพดีขึ้นได้นะจะไปดูถูกคุณของศีลเนี่ยนะถ้าหากว่าศีลเนี่ยอ้างเอาศีลแล้วไม่หายป่วยนยี่ก็แสดงว่าศีลเรายังไม่ดีเท่าที่ควรถ้าศีลดีจริงๆยังไงมันก็ปกติแล้วก็ผาสุกแต่อะ ปกติถ้าพระผู้ถ้าพระมหาโมคคลานะทำอย่างนั้นมารก็จะละอายหายไปแต่พระเถระไม่ได้คิดแบบนั้นคือคือท่านไม่ได้ระ ล, ลึกถึงสีแล้วก็รูปแล้วก็อธิษฐานเนี่ยนะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกทีนี้พระหมหาโมคคลานะก็ใส่ใจเฉพาะตนพอใส่ใจเข้าก็เห็นมารผู้มีบาปเข้าไปในท้องในไส้พอมองเห็นมารอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เรียกว่ามาเอ่อพระหมหาโมคคลานะก็เรียกว่ามารผู้มีบาป ท่านจงออกมาท่านจงออกมาเถิดท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าอย่าได้เบียดเบียนสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นจะได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์การเบียดเบียนของท่านจะเป็นไปเพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานงั้นการที่ท่านประทุสร้ายผู้มีศีลเนี่ยนะอ่ะมันจะมีโทษสําหรับท่าน น่าสังเกตบทหนึ่งก็บอกว่ายาเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าเลยทําไมจึงบอกว่าเข้าทองพระมหาโมคคลานะจึงเรียกว่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าล่ะก็เพราะว่าเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าลูกๆถูกเบียดเบียนพ่อแม่ก็ชื่อว่าถูกเบียดเบียนด้วยถ้าสัตว์ที่วิหารเกอันเตวาสิกถูกเบียดเบียนอุปชาจารย์ก็ชื่อว่า ถูกเบียดเบียนไปด้วยเมื่อชาวชนบทถูกเบียดเบียนพระราชาก็เป็นอันถูกเบียดเบียนด้วยฉันใดเมื่อสาวกของพระตถาคตถูกเบียดเบียนพระตถาคตก็เป็นอันถูกเบียดเบียนด้วยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระมหาโมคลานะก็บอกว่าอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าเลยอย่าได้เบียดเบียนสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยเพราะว่าการเบียดเบียนเจตนาที่มุ่งให้ผู้อื่นเดือดร้อน เจตนานั้นมเป็นบาปเจตนาที่เป็นบาปจะเป็นไปเพื่อทุกทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยเนี่ยนะสงสารน่นะแสดงว่าสงสารสงสารแม้กระทั่งมารผู้มีบาปเหมือนกัน ลำดับนั้นมารผู้มีบาปก็คิดว่าสมณะนี้ไม่รู้เราเออจะไปรู้ได้ยังไงวะงั้นสมณะนี้ไม่เห็นเราพูดก็พูดไปอย่างนั้นและว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระธถาคตเจ้าและสาวกของพระธถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เป็นประโยชน์นะมีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนาน แล้วก็คิดต่อไปอีกว่าสมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราเร็วขนาดนี้สาวกอะไรมันจะไวขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายัางช้าเลยเนี่ยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงสาวกว่ากันมารก็แสดงว่าผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นมารเป็นอะไรก็นิสยัยขี้โมยอยู่ไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะนะขณะนั้นพระมหาโมกขลานะเนี่ยก็รู้ว่ามารคิดอะไรก็เลยบอกมารผู้มีจิตอันเป็นบาปว่ามารผู้มีบาป เรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้ท่านอยากเข้าใจว่าสมณะไม่รู้จักเราท่านมารท่านมีความคิดว่าสมณะนี้ไม่รู้เราและไม่เห็นเราท่านจึงกล่าวว่ามารผู้มีบาปเนี่ยนะท่าคือจึงจึงคิดว่าพระมหาโมคลานะคิดไปเรื่อยหรือพูดไปเรื่อยเนี่ยนะว่ามารผู้มีบาป ท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าได้เบียดเบียนพระตถ า, าคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานดังนี้เสร็จแล้วก็พอพระมหาโมคคลานะพูดจบเนี่ยนะมานก็รู้เอา้าท่านรู้จริงก็เลยออกจากปากแปลว่าออกมาทางปากเนี่ยนะของพระมหาโมคคลานะแล้วไปยืนอยู่ที่บานประตู ไปยืนอยู่ที่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมกคลานะได้เห็นมารผู้มีบาปยืนอยู่ที่ข้างบานประตูครั้นแล้วก็กล่าวว่ามารผู้มีบาปเราเห็นท่านเมที่ข้างบานประตูท่านอยากเข้าใจว่าทัสมณะนี้ไม่เห็นเราท่านยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูอนนานมารผู้มีบาปเรื่องเคยมีมาแล้วเราก็เคยเป็นมารชื่อว่าทูสี นะเราเนี่ยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากาลีท่านะท่านมารผู้มีบาปท่านะเป็นลูกน้องสาวของเราเพราะฉะนั้นท่านมีศักดิ์เป็นหลานชายของเราอ่า น, นะก็ลุงกับหลานนี่แหละไปไหนนะก็พันพันกันนะ่ะในครั้งนั้นถามว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อไหร่เมื่อเมื่อโน่นานมาแล้วในมนุษย์ยุค เรว่ามนุษย์มีอายุประมาณหก 0,000 ื่นปีเนี่ยนะเมื่อหลายอสงไขยปีก่อนนู่นเนี่ยนะสมัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ก, กัจโสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระพระ ก, ะกัจสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีคู่พระมหาสาวกชื่อว่าวิธุระและท่านพระสัญชีวะเป็นคู่เจริญเลิศนะมีสาวกอัครสาวกอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็พระสารีบทพระโมคคัลลานะ พระพุทธเจ้ากากูสันทาก็มีสาวกเชื่อ ว, วิทุระและสันชีวะเนี่ยนะเป็นคู่ที่ประเสริฐเลิศกว่าสาวกทั้งมวล